เรื่องนแห่งกจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทาดีทำใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์เลามาฟังเรื่องราวความจริงของชีวิตผ่านเคสสตีกันเลยจ้าเพื่อแม่ แท้ไม่ได้ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เซอร์วิลลิบารทำออเรวาประเทศนิวซีแลนด์โอ้วันนี้นิวซีแลนด์สองแล้วเนาะลกูกราบขอความเมตตามากรุงใหญ่ฝันในฝันเรื่องราวชีวิตของลูกดังนี้คะ่ะคุณพ่อเป็นชาวอายุธยาเป็นคนมีสติปัญญาดีปากหวาน มีคารมคมคายผูจาฉานแต่มีนิสัยเจ้าชู้ชอบการร้องรำทำเพลงมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นจึงเป็นเข็มชีวิตไปเป็นพระเอกลิเกเพระเอกลิเกมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกวันหนึ่งมีโอกาสได้มาแสดงคู่กับ น, นางเอกลิเกสาวสวยคนหนึ่ง รับบทเป็นคู่พระคู่นามบนเวทีจึงเกิดปิ๊งเงินขึ้นตอนแรกก็ร้องไปตามบทตามบทบาทที่ตัวได้รับผิดชอบนํำมาที่พระเอกนางเอกแสดงบทรักร้องเพลงบทรักกันแต่พรากฏวารักกันจริงๆเลยจากบทรักบนเวทีกลายมาเป็นบทรักในชีวิตจริงท่านนักสอนพระเอกนางเอกจึงแต่งงานอยู่กินด้วยกัน จนมีลูกสาวคนแรกคือตัวลูกเองลูกเป็นลูกพระเอกลูกนางเอกและวจนั้นก็แยกตัวมาตั้งคณะลิเกของตัวเองขึ้นพ่อแม่มาตั้งแยกบงมาส่งผลให้ชื่อเสียงท่านดังกระชอนไปทั่วฟ้าเมืองไทยมีลูกน้องในคณะร้อยกว่าคนไม่ว่าคณะลิเกของท่านไปเปิดการแสดงที่ไหนจะได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างล้นหลาม บางงานมีคนมากถึงขั้นตั้งเบียดเสียดแย่งกันเข้าไปดูจนเหยียบกันตายเงินที่ไดาจากการเก็บค่าผ่านประตูและจากพวงมาลัยใบธนบัตรมีมากจนต้องเก็บใส่ไว้ในปีบเป็นปีบปีบทำให้ท่านมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวีที่ดินหลายแปลงมีเงินวีทอมมากมาย แม่จะบอกทุกอาชีพเนมีรวยมีจนไม่ใช่เฉพาะครูอย่างเดียวนี่มีรวยก็มีจนก็มีและแล้วความดังก็กลายเป็นความดับไปฉับลันอ่าที่แม่จะเมื่อคุณพ่อเด็กอ่อคดีฆ่าคนตายจึงต้องคอยหลบหลบสั้นๆนในตำรวจเราหกระเหินไปในที่ต่างๆสุดท้ายก็หันหน้าเข้าวัดไปบวชเป็นพระ บวจะได้ถึงสี่พรรษาก็ลาสีขาวออกมาเอามาทำอะไรถูกต้องอยามาตั้งคณะลิเกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมาคราวนี้ไม่โด่งดังเหมือนครั้งแรกแล้ววันหนึ่งน้องชาของกนานันก็ได้มาหาเรื่องทะเลาะวิวาทถึงสํานักงานลิเกหแล้วน้องพ่อทนไม่ไหวจึงยิงน้องชาของกํานันตายกับที่แล้วก็หลบหนีไปกํนานันเลยพาตํารวจไปจับคุณพ่อ แม่คุณพ่อจะปฏิเสธและสู้คดีแต่ทั้งกบแพ้ฝ่ายกำนันเออแปลกคุณพ่อจึงต้องติดคุกคณะคณะลิเกรกระลมไปโดยปริยายช่วงติดติดคุกอยู่นั้นคุณพ่อนั่งสมาธิเขียนบทลิเกสอดแทรกเนื้อหาธรรมะเข้าไปเพื่อหารายได้พิเศษให้คนได้เข้าใจว่าชีวิตลิเกไ ด, ด้ดีขึ้น แม่เลี้ยงลูกคนปัจจุบันเลยทีมีโอกาสได้อ่านชอบใจจึงไปเยี่ยมคุณพ่อถึงในคุกพอเห็นก็รักทันทีได้คอยดูแลคุณพ่อมาตลอดจนท่านพ้นโทษแล้วก็มาอยู่กินด้วยกันจนถึงปัจจุบันขนานี้นคุณพ่ออายุ75ปีแล้วนี่รักแรกพบรักกันในคุกนี่ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยม แล้วบทธรรมะแทกลิเกนี่แหละคุณแม่ลูปเป็นชาวสุพรรณบุรีด้วยความที่มีฐานะยากจนจึงจากพ่อจากแม่มาเล่นลิเกแล้วกล้กาขึ้เป็นนางเอกลิเกชื่อดังดังสุดขีดเมื่อมาตั้งคณะร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังธรรมะและทาบุญแม้จะไม่มีเงินแต่ก็ไม่ขาดการเข้าวัด คุณแม่เป็นภรรยาที่อยู่ได้นานกว่าภรรยาคนอื่นๆของคุณพ่อทาให้มีลูกกับคุณพ่อถึงห้าคนครั้งคุณพ่อมีคดีฆ่าคนตายคุณแม่ก็เสียใจมากจึงพาลูกๆทั้ง5้าคนหนีมาอาศัยอยู่กับยายซึ่งเป็นแม่ชีทีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจากวันนั้นมาคุณแม่ก็เจ็บอดแอ ด, แอดเป็นโรคความดันเบาหวานหืดหอบและโรคหยยัวใจมีชีวิตที่ลาบากมาก วันหนึ่งคุณแม่ถือปินโตะไปทำบุญที่วัดและก็ล้มลงที่หน้าวัดนำส่งโรงพยาบาลในสองวันก็เสียชีวิตอายุเพียงสี่สิบหกปีนางเอกลิเกก็จากไปแล้วตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนโตพอลูกเกิดมาก็ทาคุณพ่อคุณแม่โด่งดังมั่งคั่งร่ำรวยท่านยังถือว่าลูกังเป็นตัวนำโชคใครใก็จะเรียกลูกว่าคุณหนู ตอนเด็กเรเียนไเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพจนถึงปสองพอขึ้นปสามชีวิตกับพลิกผันเพราะคุณพ่อมีคดีฆ่าคนตายคนะาทาั้งบ้านก็ยากจนลงอย่างรวดเร็วลูกจึงต้องออกจากโรงเรียนมาอยู่กับแม่ย้ายต่างคุณแม่ไปอยู่กับยายที่เป็นแม่ชีโลกและน้นองๆจึงมีชีวิตที่ลำบากมากขึ้นข้าวก็ไม่ค่อยจะมีกินต้องเดินท้าเปล่าไปโรงเรียนชุดนักเรียนก็มีเพียงชุดเดียว ต้องซักด้วยน้ำเปล่าเพราะไม่มีผงซักฟอกเวลาไปโรงเรียนลูกกับ น, น้องสาวคนที่สองมีเงินติดตัวแค่สลึงเดียวลูกและน้องสาวคนที่สองเรียรนถึงป .4 ก็ต้องออกมาทำงานเลี้ยงแม่แล้วส่งน้อ ง, องๆเรียนหนังสือต้องรับจ้างทำทุกอย่างแม่งานที่เขาให้ผู้ชายทำได้เงินมาก็มอบให้แม่นำไปเป็นค่ายายและ รักษาโรคที่เป็นอยู่ที่เหลือก็เจียดมาเสื้ออาหารราคาถูกๆไว้กินกันในครอบครัวลูกอดทนทุกอย่างก็เพื่อแม่ข่าคุณพ่อก็หายเงียบไปไม่รู้ว่าอยู่แห่งขนตําำบลใดพอลูกอายุได้15ปีได้เกิดป่วยหนักเป็นไข้ไทฟอยด์ทายเป็นเลือดเป็นตายเท่ากัน เลือด ก, ก็ไหลออกมาทางทวารหนักตลอดเวลาขณะที่นอนรอความตายอยู่นั้นคุณพ่อก็ไม่รู้มาจากไหนคำอุ้มพาวิ่งขึ้นรถไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเงินติดตัวกันพ่อก็มีอยู่เพียงบาทเดียว <c oughs> ขณะที่ค่ารักษา 2,500 บาทพ่อจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นหมออยู่ที่นั่นก็แปลกนะพ่อมาจากไหนก็ไม่ทราบนะ เขาจึงไปช่วยพูดขอใทางโรงพยาบาลรับรักษาตัวลูกลูกยังได้รับการรักษาจนหายโดยไม่ได้เสียงเงิน ใ, นใดๆเลยบอจากโรงพยาบาลแล้วลูกและน้องสาวคนที่สองก็ได้ไปช่วยทำงานที่บ้านของหมอคนนั้นตอนที่พ่อบอกฝากไว้ก่อนไปนะจะทำได้อยู่ได้ไม่นานก็ขอกลับไปอยู่กับครอบครัวที่สุพรรณพราะจนความคิดถึงไม่ไหว น้องสาวคนที่สองและน้องสาวคนที่สามโตเป็นวัยรุ่นอายุ1 8บแปีก็ได้หนีไปอยู่กรุงเทพเพราะทนความลําบากไม่ไหวพี่ทนคิดถึงไม่ไหวกลับมาแต่น้องทนลําบากไม่ไหวเหลือเพียงแต่ลูกจะต้องคอยเลี้ยงดูแม่และน้องอีกสองคนจนกระทั่งแม่ตายจากไปเมื่อตอนลูกอายุ21ปีลูกจึงต้องเลี้ยงน้องสองคนต่อไปโดยลําพัง ลูกชอบร้องเพลงมากมีเวทีประกวดหรือเวทีแสดงดนตรีที่ไหนก็จะขอขึ้นไปร้องเพลงไปขอพรแม่บอกกับแม่เรื่อยๆแม่จ๋าหนูอยากดังวันหนึ่งลูกก็ได้รับรางวัลชนะการประกวดร้องเพลงจริงๆแต่ไม่มีรองเท้าส้นสูงใส่ขึ้นรับรางวัลจึงยืมของคนอื่นมาใส่ แล้วส้นรองเท้าก็หักขณะยืนรับรางวัลทรงพลุนให้ลูกล้มคว่มลงเขากระแทกพื้นบวมปูดเจ็บปวดมากหัวเข่าจึงไม่ดีเชื้อศิลปินแต่ไม่มีส้นสูงใสปวดเข่าเจ็บมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยพอลูกอายุได้ยิบสองปีคุณพ่อก็พ้นโทษไปอยู่กินกับแม่เลี้ยงที่โคราชแม่เลี้ยงที่ไปยียน่น แล้วก็มารับลูกไปอยู่ด้วยลูกจึงได้ไปเป็นนักครองในห้องอาหารที่นั่นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นจึงไปรับนอนสองคนมาอยู่ด้วยและส่งเรียนหนังสือขณะที่ร้องเพลงอยู่ในห้องอาหารก็มีเท่าแก่์ฐานะดีคนหนึ่งมาชอบแล้วก็ได้อยู่กินกับเขาได้ที่ลูกก็ไม่ได้รักเขาแต่เขาก็ช่วยลูกและน้องๆได้ต่อมานักศึกษาคนที่สองได้สมัครไปทํางานที่ประเทศนิสเซแลนด์แล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวนิสเซแลนด์ที่นั่น พอทราบข่าวว่าลูกเลิกกับสามีจึงมาชวนไปอยู่ด้วยลูกจึงได้มาอยู่ที่นิวซีแลนด์ในปี2543ขณะอยุได้38ปีช่วงแรกที่ไปอยู่นิวซีแลนด์ได้ไปคบเพื่อนติดยาเสพติดสูบบุรีดื่มวายและพาลูกเข้าบ่อนคาสิโนทุกวันไม่เคยขาดเลยติดต่อกันเป็นปีเงินที่หามาได้ก็ถูกพานไปจนหมดนำซ้ำยังติดหนี้ติดสินอีก ต่างหากขณะนั้นทุกใจมากขับรถไปก็ร้องไห้ไปคิดว่าจะหาเงินที่ไหนไม่ใช้หนี้ที่ตนเองก่อเอาไว้จงไปอธิษฐานกับพุทธรูปบนหิ้งพระขอให้ดนจิตดนใจให้เลิกคาร์บอนคาร์บอนนด้วยเถอแต่ก็ไม่ได้ผลจึงนึกถึงแม่ที่ตายไปแล้วขอกำลังใจจากท่าน เรขอให้ช น, นะจะเอาแม่เนี่ยจะปารบเหตุของแม่นี่แหละประเพื่อแม่แพ้ก็ได้แล้วก็ได้ผลเอาแม่เป็นธงชัยลูกก็ไปข้าบอนคาสิโนโอีกเลยแต่ลูกและน้องสาวกลับหันไปสูบผงขาวจนติดงอมแงมเสิรมาเรื่อยแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความสุขอะไรเพิ่มขึ้น ยิงพากรเลิกสูบยังไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆเห็นไหมจ๊ะว่าถ้าจะเลิกนี่นะมันง่ายนเลิกกระจบทีไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยปีพศ .2547 วันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านย่อยกาลยานมิตรซึ่งเป็นคนไทยก็มาชวนลูกและน้องสาวคนที่สองไปร่วมทําบุญเท่ปปาป่าและร่วมพิธีเทเล่าบุรีที่สูบไม่ได้บัตดทําโอเรวาด้วย ง, งานบุญครั้งนั้นก็สร้างความประทับใจให้กับลูกและน้องสา ม, มาและน้องเจ้าหน้าที่ที่สวนปฏิบัติทําก็คอยโทรแจ้งข่าวบุญให้ลูกและน้องสาวได้ทําบุญไม่เคยขาดแล้วก็ตั้งนางตาทําบุญทุกๆบุญของวัดทั้งลานทำบุญสามแ 0,000 นปลืม้มสร้างพระทําการจําตัวสาวแก้ววิหารคดกรถิ่นลายวันทําบุญ238ร้อวัดกรถินปี25งหี่เจ บุญที่จอดรถและรัตนบัลลังมหาสิริราชทาตแต่เป็นภาพเลี้ยงพทหารพระที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเ ร, ริวาทุกวันจันทร์ร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ศูนย์ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เดือนเดียวสาธุชื่นใจนไมจะ๊ะ น, นี่จากความมืดมปสู่ความสว่างเลยเธอสังสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เลยเพราะเธอรู้ว่าบุญนี้ นักศึกษาคนที่สามเธอเป็นคนหน้าตาดีเข้าคันประสวยจต่มี่อมหนุ่มเข้ามาติดตึมและมีนิสัยสีย่างหนึ่งคือเธอชอบเล่นกามนันอันมากทาตัวเสเพลเรื่อยเปื่อยแม้แต่งงานไาปครอบครัวแล้วเธอก็ยังไปมีกิจสร้างความเดือดร้อนในแก่ครอบครัวมีลูกก็มาให้ตัวเองให้ตัวลูกเองเป็นคนเลี้ยงแต่ลูกก็ทั้งรักทั้งหลงหลานมากรักเหมือนลูกตัวเอง น้องชายหรือน้องสาวคนที่สที่เรียกอย่างนี้เพราะเธอมีสองเพศในร่างเดียวกันที่เรียกว่าอุปโตพยัญชนะกจะเรียกน้องชายก็ได้หรือน้องสาวคนที่สี่ก็ได้นี่บวชไปได้นะตอนเด็กเล็กๆเป็นผู้ชายแต่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงต่อมาเมื่อต่อขึ้นจึงพบว่าเธอมีสองเพศในร่างเดียวกัน เน่จากเราเห็นว่าน้องเป็นชายซึ่งมีเพียงคนเดียวในครอบครัวจะมีความหวังของพี่น้องทุกคนในเรื่องการบวชให้พ่อกับแม่บวชไม่ได้จ้าบวชไม่ได้ ป, ปีสองสี่เจ็น้องสาวคนที่สองก็ได้ไปชวนเธอมาบวชที่วัดพระธรรมกายแต่น้องชายไม่ผ่านการคัดเลือกเธอจึงไปบวชพระอื่นในหนึ่งภาษาเพื่อทำหน้าที่ลูกที่ดีก็ไม่สําเร็จเป็นการบวช พอลาสิขาวมาแล้วเธอกระตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงนึ่งกลับโปรงอย่างเปิดเผยมีอาชีพเสริมสวยทุกวันนี้เธอมาปฏิบัติธรรม ท, ที่วัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนและเป็นเจ้าภาพทําบุญเสด็จทวารทุกเดือนอีกด้วยค่ะบวชไม่ได้อย่างเดียว่แต่ทําบุญทําได้น้องสาวันที่ห้าเป็นคนดีรักพี่รักน้องชอบทําบุญในพระพุทธศาสนาเธอแต่งงานกับชาวแอาฟริกาแล้วกำลังส ร, ร้างครอบครัวอยู่ที่ประเทศแถบนั้น ต่อมาในศันเารนที่สองก็ได้เป็นไกลมิตรชวนเธอให้มารู้จักการทาบุญสร้างบรงมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธร่วมทำบุญกับทางวัดตลอดอีกทั้งยังมีความตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญอยู่ที่ประเทศในแอฟริกาด้วยอเอาอีกแล้วเดี๋ยวจะไปตรงนั้นกันแหละคำถามบุพกรรมใจหลพ่อจึงมีชีวิตหักเหจากดงดังสุดขีด มั่งข้างร่ำรวยมาลําบากหลบหลบซ่อนๆเละระระหกหลือนจนถึงก็ติดคุกจากรวยมาติดคุกท่านมีบุญกรรมร่วมกับแม่เลี้ยงมาอย่างไรจึงได้เธอมาคอยดูแลโดยแค่เห็นก็นึกกรักคุณพ่อทันทีที่ไปเยี่ยมในคุกบุญกรรมใดคุณแม่จึงมีชีวิตมั่งข้างร่ำรวยเพียงช่วงสั้นๆและลําบากตลอดมาจนเสียชีวิตท่านมีบุญกา ร, รมบร่วมคุณพ่อมาอย่างไร ขณะนี้ท่านอยู่พบภูมิใดได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ลูและน้องสาวที่สอนมีบุญกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีชีวิตที่ลําบากมาด้วยกันต้องมาเลี้ยงดูครอบครัว ด, ด, ด้วยกันและทําบุญด้วยกันเสพยาเสพติดก็เสพด้วยกันเลิกก็เลิกด้วยกันทำอย่างไรจรึงจะพ้นวิบากกรรมนี้โดยเร็วคะคือทํำดีด้วยกันและก็ทําชั่วด้วยกัน บุพกรรมไดลูกจึงป่วยเป็นโรคไทฟอยเกือบตายแล้วทำไมลูกจึงอ้วนและมีปัญหาปวดเมื่อยโดยเฉพาะที่หัวเข่าทำไห้โราเบาหวานและธาลัสซีเมียด้วยสามีคขาไปั จ, จบ็บบางน้องสาวคนที่สองไม่ขัดเรื่องการทำบุญและมาวัดทั้งยังร่วมบุญด้วยในบางครั้งเขาเ้งสอนมีบุกรรมร่วมกันมาอย่างไรและเขาเคยสร้างบารมีมากกมุขคณะหรือไม่อย่างไร ลูกกับน้องสาวคนที่สา ม, มีบุคกรรมร่วมกันมาอย่างไรจรึงต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันบุกรรมใดลูกจึงต้องมาเลี้ยงดูลูกของน้องสาวคนนี้และลูกเองก็รักหลานคนนี้เหมือนลูกตัวเองด้วยน้องชายคนที่สี่ก็เคยสร้างบุญบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทําไมเขาจึงมีร่างกายเป็นเช่นนั้นคือมีสองเพศถ้าเป็นเพราะวิบากกรรมการมีจะต่างจากพวกเกทอมตุ๊ด ด, ดี้กระเทย อ, อย่างไรคะไมา่แล้ว ทำอย่างไรชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เขาจะเป็นแบบนี้คะนี่นี่ต้องไปถามบัณฑิตนักปราชญ์ก่น้นองสาวคนที่5เธอเคยสร้างบุญกับบุญคณะมาอย่างไรสามารถเป็นผู้นาบุญในประเทศแอฟริกาใต้ได้หรือไม่คะรู้แล้วสามีเคยสร้างบรมีกับบุญคณะมาอย่างไรทําไมถึงไม่มีลูกด้วยกันพระอาจารย์ ศิษศูนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นการามิทให้กับโลกเคยสร้างาวัลลอฮฺมีกำลังคณะมาอย่างไรทำไมจึงได้มาทำหน้าที่นี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์คะไม่เกี่ยว่เกียยววด้วจำเรื่องราวและคำถามได้มั้ยจ๊ ะ, จะได้ได้ลับตาฝันเป็น ต, ต, ต, ตุ้มตาเติบขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากัญชาพ่อมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงดองดังสุดขีดจนร่ำรวยแล้วก็ตั้งมาราะหกระเหินหลบอลบซ่อนซ่อนจนมาติดคุกเพราะในอดีตจะสร้างบุญเป็นทีทีและก่อนทำบุญมกักจะปีติเต็มที่แต่กำลังทำและหลังทำแล้ว มักจะทำให้บุญตกล่นเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นมีจิตศรัทธาเดชชักชวนหมู่ญาติมาทอดผ้าป่าสร้างวัดแต่พอไปถึงวัดก็ไม่ถูกใจในการต้อนรับ อ, อยากให้ทางวัดเอาใจให้ดีกว่านี้เหมือนมาซื้อบริการอย่างั้นเลยห ง, งดหงิด ท่วัดต้อนรับไม่ถูกใจยกพวกกลับไม่ทอไปเธอประปาเอาครับด้วยเหตุนี้บุญยังส่งผลในช่วงแรกสันจิตเป็นกุศลให้ดองดังและอรํารวยแต่ก็มีวิบากกันในปัจจุบันมาตัดรอนที่คบคนผ่านโรคเชื้อใจร้อนนักเลงด้วยจึงทำให้ต้องไปฆ่าคนและเป็นเหตุให้หลบซ่อนและติดคุกจะ้ะละบุญนั้นก็ ไม่ได้จึงลองรับสมบัติไม่ได้แม่เลี้ยงรักพ่อทันทีที่เห็นในคุกแล้วก็ต้องมาดูแลพ่อด้วยความสมัครใจเพราะในอดีตก็เคยเป็นหนึ่งในภรรยาพ่ อ, อมสมัยที่พ่อเป็นคนทันเอาละสิหนึ่งในภรรยาคนทันตอนพ่อเป็นคนทันนะไม่ใช่ตามเป็นมนุษย์นะ นี่นี่เห็นไหมเจ๊นี่นี่ไสม์หมายพ่อเป็นคนทันในป่าหิมพานต์และได้มาเกิดในชาตินี้มึงมาเจอกันยังผูกสมัครคระไขกันอย่างเราเป็นสา ม, มีภรรยากันบนสวรรค์ในป่าหิมพานต์อตอนเป็นคนทนันพรลงมากับปิ๊งชอบพระเอกลิเกอชอบนักร้องศิลปินอะไรเงี้ แปลกดีเนาะเออแปลกแปลกดีแม่มีชีวิตร่ำรวยช่วงสั้นแล้วก็มาลำบากยากจนตลอดกระทั่งตายเพราะมีบุปกรรมคล้ายพ่อน่แต่คนละชาติกันคนละชาติกันนะจ๊ะคือตั้งใจจะไปสร้างวัดแห่งหนึ่งศรัทธามากจึงได้ไปชักชวนหมู่ญาติไปทอดปลาป่าโอ้ เคสนีด่าการทุกวันหนึ่งแต่เมื่อมาถึงวัดก็ได้รับการต้อนรับอย่างไม่เต็มที่ถึงเปลี่ยนใจไม่ทอดประปาแต่ก็นา น, า น, านก็ทําบุญทีหนึ่งแต่กรรมตรานีจึงได้ช่องส่งผลที่เป็นไปดังกล่าวเจ้าเพราะฉะ oh. น, นั้นเจน้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเลยจ้าต้องมีความเคารพในปฏิสนธิเราต้องดูแลทุกท่านให้ดีเพราะทุกท่านมาเอาบุญ <Yeah. S 1> ทุกท่านารู้ตัวอยู่แล้วไม่ได้มาซื้อบริการ ควาสะดสบาย ก, ก็รู้ไม่มีแต่เราต้องอำนวยความสะดวกเท่าที่เราจะพึงมีได้นะจ๊ะเราไปจะพึงมีเพราะเจ้าพรากรู้นี่ว่าเจ้าที่ในวัดอุบาสกปิจกาถือศีลแปแต่เจ้าภาพนั้นน่ยถือศีลปดบัณอุโบสถนางนั้นศีลห้าบางทีกะละศีลปานาตบยุงมึงอะไรเงี้โดยไม่มีเจตนาคือรูปๆอย่างแนบเนียนรู้ยุงมีอยู่ รูยุงอยู่ตรงนี้แต่ทำเป็นรูปมือพึด อ, อ้าตายวิญญ <laughs> าณหลุดจากล้างไปแล้วไม่เจตนา <laughs> เป็นอุบัติเหตุไม่เจตนาเ <laughs> นี่ยทำกันยางไงแนบเนีย น, นเด็ดเดพึ้ดรูยู่ประโถยุงมะกอ่อมันจะมีรูมันคันตรงไหนต้งนั้นแต่ว่าเริ่มจากที่อื่นกันอุ๊อ้าว ลอดงามมือไปแล้วแต่นานๆก็ทำบุญทีหนึ่งแต่กรรมตนน่นนี้จึงได้ช่องส่งผลให้เป็นไปดังกล่าวจ้าท่านมีบุญกรรมกับคุณพ่อคือเคยเป็นหนึ่งในหลายพิยาของพ่อในสมัยที่พ่อเป็นคนทานคนทานอีกแล้วที่ชอบมีนิสัยร้องรำทําเพลงในป่าหิมพานต์เมื่อมาเกิดเจอกันในชาตินี้จึงมาเป็นสามีภรรยากันอีกจ้แปลว่า ภริยาคนทันสองคนนะจ๊ะลงมาเจอกันกับพระเอกคนเดียวกันนี่ตายแล้วแม่กลับไปเป็นเทพธิดาสายคนทันแต่ว่าชั้นดีในป่าหิมพานต์ในบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนากลับไปอีกแล้วแต่ดีกว่าเดิมแต่รับบนเทวติษไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้าน ใจผูกพันเกับเรื่องศิลปินเนี่ยร้องรำแตเพลงแต่ว่าเธอร้องรำแตเพลงเพืพ่อทำประกอบเพลงธรรมะแต่ใจผูกพันกับดุสิตบุรีแล้สั่งสมบุญประกอบเพลงอย่างเต็มที่ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะเพราะรู้ว่าอันนี้แค่เครื่องมือที่จะนำไปสู่ตรงนั้นและสั่งสมบุญถูกหลักวิชาทั้งหมดนั่นจะไปอยู่ตรงโน้น <S S เดี๋ยวกลัวบอกใต้ เดี๋ยวหานักร้องลําบากเราและน้องสาวในสองตระมาลําบากด้วยกันทํามาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยกันทําบุญด้วยกันเซฟยาด้วยกันเลิกก็เลิกด้วยกันเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันในสมัยที่เป็นวิชายและเคยเกยเด็กกตรงมาด้วยกันชาตนี้มาเกิดเป็นพี่น้องกันจึงมีอะไรคล้ายๆกันในชาตินี้จะแก้ไขวิบากกรรมให้หักดิบเลิกสิ่งไม่ดีที่ทําด้วยกันให้หมดสิ้นไป และหันมาสร้างบุญบารมีอย่างจริงจังในทุกบุญแต่การติดฐานจิติผลจากสิ่งไม่ดีและวิบากกรรมนี้เจ้าลูกป่วยเป็นไทฟอยเกือบตายเพราะกรรมเนรดีเคยทะเลาะ ก, กับเพื่อนโดยยาถ่ายอย่างแรงใส่อาหารให้เพื่อนกินจนเพื่อนถ่ายท้องเกือบตายแต่ก็ไม่ตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลเจ้าลูกตัวอ้วนและปวดเมื่อยเฉพาะหัวเขา่าเพราะเนรดี มีวจีกรรมไมดาว่าถากถางครับว่าอีอ้วนไม่ใช่พูดแต่ตัวเองอ้วนจริงทำให้วิบากกรรมนี้มาส่งผลให้อ้วนอ้วนจะน้ําหนักมากเป็นเหตุให้ปวดมืย่ยเฉพาะหัวเข่าเพราะหัวเข่ารับน้ําหนักไม่ไหวเป็นโรคเบาหวานและทารัเมีเพราะกรรมเนอดีได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารจริงทำให้เป็นเบาหวานและค้าขายของปลอมปนเอาของปลอมไปปนกับของดีจึงทําให้เป็นโรคทารัเมีจ้า สามีคนะจะ บ, บางน้องสาวคนที่สองไม่ขัดเรื่องการทําบุญแล้วมาวัดทั้งยังร่วมบุญด้วยในบางครั้งเพราะเคยมีสายบุญในพระพุทธศาสนาแต่ทําบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบจึงพลัดไปเกิดนอกบุญญเขตแต่บุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนาจึงทําให้มีอัตยาศัยติดมาจ้ะเขามีบุป ร, ปรกรรมร่วมงานคือเคยเป็นสามีภริยากันมา แล้วก็เคยทำบุญร่วมกันด้วยจ้าเคยสร้างบารมีกับหมูกคณะมาแบบกองเสบียงแต่นานมากแล้วประเภททำตามอารมณ์แล้วก็ไม่เคยเดาติฐานจิตล้อมกรอบดังกล่าวจึงพลัดไปชาติสายบุญเก่าวที่เคยทำร่วมกันจึงดึงดูดให้มาได้สร้างร่วมกันกับหมูกคณะอีกจ้าลกวกน้องสาวที่สามมาเป็นพี่น้องกันและต้องมาเลี้ยงดูลูกของน้องสาวคนนี้ แล้วตัวลู ก, กรักหลานคนนี้เหมือนลูกด้วยเหมือนตัวเหมือนลูกแทๆ้ๆเพราะแนด่ดีเคยเป็นเพื่อนร่วมแก๊งคนหนึ่งในสมัยที่เป็นผู้ชายได้แกเรมไม่เด็กกันและหลานคนนี้ก็เคยเป็นลูกสาวของตัวลูกมาในด่ดีด้วยจ้ะ น้องชายคนที่สีครสร้างบรมีกหมูขนะมาแบบความเสียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้าน้องชายมีสองเพศในร่างเดียวกันพระแต่ชาติจะเป็นผู้ชายจะชูแล้ววิบากกรรมจากการเป็นผู้ชายชูก็ส่งมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วยังเจ้าชู้หลายชาติติดต่อกันมาอีกการเจ้าชูจากเป็นผู้ชายมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ยังไม่เลิกจะชูเจ้าชู้เจ้าชู้าชชูติดๆิกันมาหลายชาติ จะในสุธิบากรรมกาเมทั้งในชาติที่เป็นวิชายและหญิงมาส่งผลพร้อมกันทั้งชายกรรมเจ้ชูทั้งชาติที่เป็นผู้ชาและหญิงมาส่งผลพร้อมกันในกล่าวเดียวกันซึ่งเป็นกรรมที่แรงกว่าเกทอมตุ๊ดดี้กระเทยเรียกว่าอุปตโตพยัญชนะแรงกว่าพระทีเจ้าท่านห้ามบวช แม้บวชไปแล้วก็ไม่ได้เป็นพระจ้ะกรรมยังแรงอยู่มากดังนั้นจะต้องนำทารักษาศีลในวันธรรมดาศีลแปดในวันพระอย่างอุกฤษแล้วก็จเจริญภาวนาจะในระดับเบื่อนหน่ายในการเป็นเช่นนี้หรือมีสภาพอย่างนี้นั่นแหละจึงจะพ้นสภาพได้จ้ะ<อ>น้องสาวคนที่ห้าเคยสร้างบรงมีกบโคณะม า, มาแบบกองสบียงประเภทเรื่อยๆทาเรื่อย สม่ำเสมอทีละนิดทีละนิดและก็มีกําลังบุญเพียงพอที่จะเป็นผู้นําบุญที่แอฟริกาใต้ได้แต่ก็ต้องคอยประคับประคอยังกำลังใจอย่างต่อเนื่องก็จะทําทำสําเร็จได้เพราะผููมีบุญก็รอคอยอยู่เช่นนั้นจำนวนมากจ้าลูและสามีเคยสร้างบารมีกัมุขนามาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์รัดกมา น, นานพอจะกลับมาเจอโมกขนาในชาติหลังๆนี้ ดังนั้นชาตินี้ก็ต้องมาต้องสร้างบนกบูคณะให้เต็มที่และในฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่พลดกันจ้ะไม่มีลูกเดียวกันพระสามีคนนี้ก็เคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายนี่ยแหละเป็นผู้ชายพร้อมกับ น, น้องสาวคนที่สองในยุคนั้นนี่ยวกวนเดียวกันที่เกลิกีตรงมาด้ยวยกันแล้วก็มักชอบปีนต้นไม้ไปเอาไข่นกหรือลูกนกมาทํากับแก้มสุรา โดวิบากรรมนี้เมื่อมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้จึงไม่มีลูกเดียวกันนวันนี้เราได้รู้จักอุปโตพ ย, ยัญชนนกทําบุญที่เรียกว่าไม่ได้รับการเอาใจจากทางวัดไม่ว่าวัดไหนก็ตามเลยยกขบวนกับนี่จ้ะรวยแล้วก็จนราชาันที่ไม่เกี่ยวแต่เขาเอี่ยวด้วย ที่ส่วนิซิแลน์ซึ่งเป็นการเมียทกับโลกเคยสร้างบัลลมมขมูคณะมาพุทธนดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ด, ด้ออบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยทำหนา้าที่เผยแผ่ผลการปฏิบัติทำได้ก็ถึงดวงธรรมแล้วองค์พระใสใสภายในกลับดุสิตบุรีวงพิเศ ษ, ษ, ษได้ในหน้าที่ที่เคยทํามาในดีที่เคยเผยแ ผ, แผ่ไปตามแคว้นต่างๆ จะเป็นผังติดตัวไม้มาทำนาทีเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ต่างแดนจ้าจ้าชาตินี้มึงมาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิญญาสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรบมโมพธิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้าจานี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสัดดีสั้นๆ น, น, นะจะ